ทุกๆสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะ ค่ะดิฉันก็เปิดไปในพวกเครือข่ายบนโลกไซเบอร์ของตัวแต่รูปข้างๆนี่เป็นรูปศพแท้ๆอ่าแล้วก็ แสดงความเห็นว่าอ้าได้ก็แปลแน่ๆใช่ดิฉันมีคําถามท่านเกี่ยวกับเรื่องมีคนส่งข้อจริงๆแล้ว โตคือไม่ถ้าพูดถึงตามหลักของพระพุทธศาสนาค่ะอืมๆแล้วคือโอ้ใช่ๆมันเป็นอย่างงี้แล้ว นะที่ว่ามีการแบ่งปันเรื่องนี้เกิดขึ้นเอ่อส่วนมา คือมรณะเนี่ยก็เป็นของไม่นี่นี่ๆๆสําคัญมากการเกิดไม่เที่ยงมี<ใช> พุทโธพุทโวจนะเนี่ยมันเยอะพอสมควรแต่ว่านึงก็ห่างๆกันไปใช่ แต่ถ้าเหตุของความตายไม่มีถ้าเหตุของความตายไม่มีและความตายก็จะดับไปและความเนี่ยอืมความตายไม่ๆไปถ้า ศึกษาธรรมะจนเข้าใจธรรมะจนเข้าใจจะรู้สึกเหมือนกันอย่างที่คําแต่ไอ้เกิดมาแล้วเนี่ยตายแน่ๆอันเนี้ยจะ ไม่มีแล้วแล้วเพราะอวิชชามันดับไปใช่มั้ยทําให้การเกิดเนี่ยก็สิ้นไปด้วยทีนี้พอไม่มีการเกิดแล้วเนี่ยเค้าจึงไม่มีการตายพระ <ทะ S 1> กายแน่ๆเนี่ยก็หมายถึงว่ากาย มันแยกกันได้หรอแต่ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่แยกกันได้ในด้วยกันพระพุทธเจ้าก็ คือแม่งเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงนะพระพระจันทร์อยู่บนฟ้าเต็มดวงใสสว่างเลยอย่างคืนนี้ก็เป็นคืนจันทร์ <คะ. S 1> ให้ใจกับกายเนี่ยมันแยกกันอย่างงี้นะเหมือนดวงจันทร์ที่อยู่บนฟ้ากับดวงจันทร์ที่อยู่ในน้ํา นั่นก็เหมือนกันว่าใกล้กับใจของเราเนี่ยอยู่ๆแล้วนะอย่างคนที่ภาวนาสูงๆ อยากจะให้เราเข้าใจตั้งแต่แรกด้วยซ้ําว่ากายกับจิตเนี่ยต้องแล้วดังนั้นเนี่ยอ่าแรกเกิดมาเราอาจจะยังไม่ทันรู้วันนี้รู้และ แนวช่องทางเนี่ยมันจะเข้าไปสู่จิตนะเราจะเอาจิตแยกจากกายได้ สติเนี่ยมีวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่นะสติสภาจิตเนี่ยไปวิมุตหลุดพ้นได้อืมแล้ววิมุตเนี่ยมีอะไรเป็นที่แล่น เอ่อประสูตินี่ก็เป็นประสูติที่สําคัญนะคุณ 2 วันน่ะค่ะเพราะเพราะว่าดูเหมือนกับว่าเรื่องทีละเรื่องเรื่อง แปลเป็นไดว่าความเป็นใหญ่นะพื้นฐานเลยความเป็นต้องลิ้นใช่มั้ยบางทีเราตาดูอาหารเนี่ยเรารู้มันเผ็ดไม่ๆหน่อยๆเราจะรู้ แต่เราจะไม่รู้ว่าเป็นเสียง 5 อย่าง 6 อย่างตรงนี้ค่ะท่านฟังก็คงพอจะเข้าใจง่ายว่าอินทรีย์ที่ว่าเนี่ยอัน ไปรับรู้รับรู้อะไรรับรู้เสียงรับรู้ภาพนะรับรู้อะไรรับรู้เสียงเอ่อเสียงมีหูแต่ถ้าใจของเราไม่เข้าไปรับรู้เนี่ยมันมันก็เธอ เราทั้งเค้า 3 4 รอบเนี่ยเราถึงเพิ่งจะรู้สึกตัวได้ยินเร 1 เรียกครั้งที่ 2 เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีหูๆมันยังไม่ค่ะท่านก็เลย ขาดอันนี้แล้วประกอบคือใจอันนี้แล้วไม่ได้เลยในเรื่องของตาหูนะตรงนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่ภายใน ในรูปเสียงกลิ่นรสผวดทะพวกนี้เป็นอายตนะภายนอกอ๋อๆนะว่าถ้าถ้าหูก็ต้องเกี่ยวกับเสียงถ้าลิ้นในเนี่ยจัดว่ายังอยู่ในอินทรีย์ถ้าขาดตัวถัด ใช่จะไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นผัสสะค่ะก่อนก่อนตอนก่อนก่อนตรัสรู้อ่ะนะ ผ่านทางอายตนะภายในเนี่ยอายตนะภายในเนี่ยไม่ใช่ดวงตานะดวงตาเป็นช่อง อันนี้ก็คงจะได้เท่านี้ก่อนเจบาลสําหรับวันนี้อินทรีย์แล่นไป เรื่องของอ่าเรียกว่าอะไรนะคะค่ะนะคะงั้นก็ติดตามอ่าวันนี้กราบนมัสการท่าน รายการนี้ชื่อสรรณสิริสนทนาดำเนินรายการโดยสรรณสิริ FM 106 ในเวลาที่